สิขาบทที่10เรื่องพระชัพพคี605สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยูน่นาพระเจตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสูชัพพคีรับบินทบาทล้นขอบปากบาทพระบัญญัติ 10. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะรับบินทบาทเสมอขอบปากบาดเรื่องพระชพคีจบ สิกขาบทวิพังพิกษุเพิ่อรับบิณฑบาตเสมอขอปากบาดภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อรับบิณฑบาตจนล้นขอปากบาดต้องอาบัตทุกกฏอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นพิกษุไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง5้พิกษุวิกลจริต6กพิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบคำพากตะวัตที่สาม 시청해주셔서감사합니다